หลับนมัสการพระคุณเจ้าคะ่ะก็เมื่อสักครูที่อาจารย์พระอาจารย์แนะนําว่าเวลาที่เราอยากจะแบ่งปันเวลาตอนเย็นๆของเรา<ม>ออกจากเฟซบุ o กไลน์อะไรอย่างเงี้ยยูทูบแล้วรบกวนอยากให้พระจันลองแนะนําว่าเราควรพิจารณาอย่างไรเพราะว่าบางทีมันมันมีอาการที่เรียกว่าถูกดูดนะคะพระจันเราว่าแป๊บเดียวนะคะแต่เผลอแป๊บหนึ่งมันก็ชั่วโมงหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะหรือเราควรจะพิจารณาตามอย่างไรนะคะ ดูไปดูเฟซบุ๊กยูทูปไปก็ลมหายใจเข้าออกไปอย่างี้ได้ไหมคะครับถามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่ถา้าจะทำได้ดีหรือเปล่านี่กอ็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้านั้นก็พยายามทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ห่างๆกับพาวเวอร์แบงค์เข้าไว้เวลาแบตเตอรี่หมดปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะได้ไม่ต้องไปถ่ายเฟซบุ๊กกับยูทูปอันนี้มันก็อยู่กำลังใจนั่นแหละ อ ย, อ, ยอยู่ที่ว่าเราจะสรรหาวิธีการยังไงอะ่ะให้ให้เราเรียกว่ามันต้องหมั่นสร้างเหตุปัจจัยอะ่ะหมั่นสร้างเหตุปัจจัยสมมติเราบอกว่าเราอยากจะลดความอ้วนเอ า, เอ า, เอาคนเลิก บ, บุหรี่ก็ได้คนเลิก บ, บุหรี่เนี่ยสิ่งที่เขาควรจะสร้างเหตุปัจจัยก็คือว่าเขาควรจะคลุกคลีกับคนที่สูบบุหรี่ให้ได้น้อยๆยน้อยลงก่อนเพื่อที่อะไร พอเห็นคนดุบุหรีปพ๊บเนี่ยมันก็มันก็อยากอยากขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องหลีกไกลจากสังคมเก่าๆอันนั้นก่อนพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่จะดึงเวลาไปใช้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นสงครามระหว่างการยื้อแย่งเวลากันนะการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตในหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นสงครามระหว่างการใช้เวลาระหว่างธรรมะกับกิเลสเหมือนกัน เพราะนั้นถ้าเราไม่สังสร้างเวลากิจวัตรกิจกรรมให้กับตัวเองนะเราจะพ่ายแพ้มันอยู่อย่างนั้นเลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสใช้เวลาไปในแบบอื่นอย่างอื่นเลยเหมือนคนที่อยากลดน้ําหนักแต่มีปาร์ตี้ตอนเย็นทุกวันมันก็ไม่ใช่เหตุเพื่อที่จะไปลดน้ําหนักใช่ไหมแต่เราบอกว่าเอ้ยเราต้องไม่ไปปาร์ตี้นะ่ะไม่ไปปาร์ตี้ปุ๊บอืม มันก็ว่างเพราะว่างปุ๊บเราก็ไม่รู้ทํำไรเราก็ไปซื้อ น, นู่นนี่มากินมันก็ยังไม่ใช่เหตุที่ดีใช่ไมเพรา ะ, ะนั้นเราลดเหตุไม่ดีแล้วเราต้องสร้างเหตุที่ดีด้วยอ้าวงั้นเราก็ชวนเพื่อนไปฟิเตเนสบ้างไปส่วนสาธารณะบ้างเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้เราจะเห็นว่าอย่างพวกที่เขาไปวิ่งอ่ะเขาก็มีสังคมวิ่งกันใช่ไหมวิ่งพอ เ, เขาได้สังคมเนี่ยเขาก็มีเพื่อน แเขามีเพื่อนปุ๊บเนี่ยมันก็มีกําลังใจที่เขาจะแบบมาใช้เวลาตรงนีไ้ได้ได้ได้บ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นกิจวัตรที่มันมันมันโดนฟิกซ์ไปเพราะฉะนั้นกิจวัตรเ่ยกิจวัตรประจําวันของเราเราต้องพยายามเซตให้มันได้เซตเซตกิจวัตรดีๆให้กับตัวเองให้ได้เพราะฉ้าเราอยากจะลดทอนการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนช่วงเย็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีกิจกรรมรองรับด้วย เหมือนกัน อ, อย่างเช่นเราอาจจะแบบจะทําทําได้ไหมเนี้ยพาลูกสวดมนต์อย่างเงี้ยต่ต่างนะแต่มันต้องมีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่เอาไว้ใช้ทําร่วมกันต้องมีคือถ้าทําคนเดียวก็ได้ก็อย่างเราอาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันก็เป็นกิจวัตรที่ที่เราก็เซ็ตขึ้นมาทดแทนเวลาที่เราจะดึงมาใช้มันก็ได้ เพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมของเราเราไปเซตขึ้นมาสักอันนึ่งแล้วก็พยายามทําให้มันได้สักต่อเนื่องสักสองสามเดือนอ่ะมันจะได้เป็นความเคยชินจริงๆถ้าเราทําได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันยังการันตีไม่ได้อ่ะว่ามันจะเด้งกลับไปแบบเก่าหรือว่าจะอยู่กันแบบใหม่มันยังการันตีไม่ได้จนทําเป็นนิสัยทําจนเป็นกิจวัตรนั่นแหละมันจะพอการันตีได้ว่าเออเราจะใช้เวลาอยู่กับ ที่เราไม่อยู่กับ facebook หรือโซเชียลมีเดียนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสงครามนะระหว่างการใช้เวลาระหว่างธรรมะกับกิเลสเพราะฉะนั้นเราต้องจัดสรรเวลาเวลาว่างของเราอ่ะนอกจากเวลาทํางานแล้วก็จริงเนี่ยเวลาว่างของเราเนี่ยเราต้องจัดสรรให้เราจะใช้เวลายังไงให้มันเกิดประโยชน์กับเราเอาอย่างเช่นอย่างเช่นเราอ่านหนังสือธรรมะเราฟังเทศครูบาราจานมากเนี่ย แล้วอาจจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ว่าคนเราเนี่ยเต็มที่อ่ะมันก็ไม่เกินร้อยหรอกเต็มที่ก็ร้อยปีแล้วก็อาจจะแบบตายก่อนวัยอันควรก็มีเยอะแยะไม่ใช่หกสิเจ็ดสิบตายอาจจะสามสิบสี่สิตายก็มีเยอะแยะหรือว่าตายตั้งแต่แรกเด็กๆก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทดีกว่าพอมันรู้สึกซึ้งกันไปในใจอย่างนี้กำลังใจมันก็มีมากขึ้นแล้วยังไงอ ไอ้ตอนตายเนี่ยมันก็กําหนดไม่ได้นะพระวิชธเจาตัดไว้ว่าจิตเตสังกะริษฐเถ ท, ทุกขติปาติกังขาก่อนตายถ้าจิตมันเศร้าหมองนะจิตเศร้าหมองจิตขุนมัวเนี่ยมีทุกขติเป็นที่พึงหวังหมายความว่าถ้าจิตเรามันเศร้าหมองขุนมัวเนี่ยก่อนตายปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทุกขติทุกขติมีอะไรบ้างบี สติระชาญสัตนรปเปรอสุรกายนี้แต่ถ้าจิตเตอสังกฤิเถสุขติปาติกังขาก่อนตายเนี่ยจิตเราไม่เศ้าหมองนะก็มีสุขติเป็นที่หวังก็คือมนุษย์เทวดาพรมเพราะนั้นอะไรที่มันจะทำให้ ผลลั์ของเราเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับไปลอตเตอรี่อ่ะที่เขาออกสลากกินแบ่งมันก็วัดดวงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับวัดดวงอ่ะแต่เราจะทํายังไงให้จากวัดดวงเนี่ยเรามีความแม่นยําในผลลัพธ์มากขึ้น <c oughs> ก็คือความเคยชินของใจเราเนี่แหละเพราะว่าเวลาที่ใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตตตมัิอโนมัติกับความคุณมัวยว่าจี้บ่นอย่าเงี้ยจี้บน่น ขี้โกรธอยู่เป็นนิดเลยทําอะไรก็ขุนเคืองไปหมดปดหงิดง่ายอย่างเงี้ยแน่นอนคุณสมบัติของใจมันเศร้าหมองอยู่ตลอดพอมันชินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันเผลอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะกลับไปตรงนั้นได้ง่ายกว่าปกติเออได้ง่ายกว่าอีกด้านหนึ่งแต่พอใจเราเนี่ยเราได้รับการฝึกใหม่เราได้รับการฝึกที่เราเจะเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดที่จะดูว่าไม่ให้ใจเราไป อ, อยู่ในฝ่าย โลภะโทสะโมหะให้หลีไกลาจากโลภะโทสะโมหะราคาได้มันทําให้ใจของเราน่ยมีคุณสมบัติคือไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองพอใจเราคุ้นชินอย่างนี้เนี่ยมันก็รับประกันได้และว่าเวลาที่เราก่อนตายเนี่ยจิตเราเนี่ยมันมาฝ่ายนี้ได้ง่ายกว่าฝ่ายนู้นแน่นอนพอเรารู้สึกอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเอามันก็สร้างกำลังใจให้เราไอเราอย่าไปไถ Facebook YouTube เลย เพราะเราไถเฟซบุ๊ o ยู u ู u เนี่ยมันก็ทำให้เราแบบโลภะโทรศโมหะมันก็ครอบงำใจเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปทำกิจกรรมอะไรอ่ะต่างๆาจจะไปปลูกต้นไม้ไปเดินจงกรมไปแบบดูแลจิตใจอะ่ะทำให้จิตใจของเรามันห่างไกลจากโลภะโทรศโมหะได้บ่อยๆเนือ ง, ง, งมันก็เป็นเครื่องการันตีเลยว่าเฮ้ยถึงเราจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ไดนะ้ชาตินี้นะเราก็มีสุขติ แน่นอนมันก็ทําให้เรามีกําลังใจนั่นแหละแล้วก็ทําให้เห็นว่ากําลังใจเนี่ยมันทําให้เราหลีกไกลจากโซเชียลมีเดียไปได้ด้ยข้อมูลก็ดีที่เราเคยศึกษามามันก็เป็นตัวสร้างแรงกําลังใจให้เราได้ระดับหนึ่งเพราะนั้ น, ม, น, น, นมันก็เป็นองค์ประกอบที่มันคอยเกื้อหนุนกันฟังธรรมก็เป็นให้เราได้รู้ข้อมูลพอ ร, รู้ข้อมูลมากเราก็มี อุบายที่จะให้กำลังใจตัวเองได้พรอุบายให้กำลังใจตัวเองได้ดีเราก็รู้ว่าเราจะเซตกิจกรรมยังไงให้มันขังไกลาจากโลภะโทสะโมหะทำยังไงให้มันส่งเสริมให้เรามีสติที่มีกำลังมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นอะไรเหล่านี้ให้ธรรมะของเราเปนเจริญขึ้นเพราะนั้นปิดปิดโทรศัพท์แบบตอนที่เราทำอยู่ตอนเนี้ย ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าไปได้เพราะฉะนั้นตอนเย็นไม่มันจะไม่มีใครติดต่อเราได้เราปิดโทรศัพท์เป็นอันรู้กันนะถ้าหลังสองทุ่มอย่าโทรมาหาฉันนะไม่ติดต่อไม่รับงานแข่สิน้นแล้วฉันก็ปิดโทรศัพท์ปิด iPad ปิด iPad ของลูกปิด iPad ของสามีปิด iPad ของทุกคนเลยเพราะว่า ไปเห็นของคนอื่นมันก็อดไม่ได้เหมือนกันเอ้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไปดูหน่อยมันก็สียเวลาเราไปเหมือนกันอย่งไก็กิจกรรมนั่นแหละมันจะทำให้ให้เป็นตัวกาหนดอุปนิสัยในใจเราด้วยวก็เอาข้างนอกเพื่อมาฝึกข้างในเราอย่างหนึ่งถ้าเขาเรียกว่าคนในครอบครัว ถ้ามันไปในแนวทิศทางเดียวกันได้เนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมกันได้ดีออย่างเช่นเราบอกว่าเอาแม่ปฏิบัติธรรมเอาพ่อไปปาร์ตี้กินเหล้าสมมตินะแล้วลูกก็ติดเกมอย่าเงี้ยโอ้มันมันไปคนละแนวไงทีนี้มันก็ทําให้เราอยากจะทําความสงบอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็กังวลแหละพอบ้านไปปาร์ตี้ข้าง น, นอกจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่า นั่งไปใจแทนที่จะอยู่กับพุโทโธมันก็อึมวันนี้ยังไม่กลับเลยสองทุ่มก็ยังไม่กลับสามทุ่มก็แล้วว่าทำยังไงดีเนี่ยนะมันก็ไม่สงบใช่มแต่ถ้าแบบว่าทั้งบ้านเนี่ยก็เรามีเครื่องดําเนินที่มันเหมือนกันทิศทางเดียวกันได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสบายขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เราจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยพระเจ้าก็จึงบอกว่าคนจะมีะทิฏฐิที่มันเสมอกัน ทิฏฐิคือความเห็นที่เสมือนกันมีจาคะคือความเสียสละที่มันเสมือกันปัญญาปัญญาที่มันเสมอกันประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้คนรอบข้างของเราเนี่ยมันมีแนวที่มันไปคล้ายๆกันได้เนี่ยก็จะเป็นลดปัจจัยด้านลบของการปฏิบัติธรรมของความดีของเราลงไปได้ได้ประมาณนึงดูไหม หลัของพระคุณค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากอยากจะชีช้ว่างานกับชีวิตเนี่ยมันคนละอย่างกันนะบางที่บางแห่งเขาอาจจะมีค่านิยมว่าเอาชีวิตกับการงานเนี่ยมารวมกันใครมีความเห็นแบบนี้บ้างเนี่ยก็เป็นคนที่ดีอยู่เหมือนกันนะ ไม่ต้องอะไรมากอย่างต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็มีค่านิยมใช่ป่ะทุ่นเทให้กับการงานจบงานแล้วก็ต้องแบบว่าหอบงานกลับมาทําบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลครอบครัวเท่าไหร่ทุ่นเททํางานมากมากๆอะ่ะเพราะเขามีค่านิยมแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่านิยมกับความถูกต้องมันก็ ไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปว่าความสุขความทุกของเราเนี่ยคนที่บ้างานก็บ้าเพื่อจะให้คนเขาเยืนยอนนั่นแหละว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมพอ เ, เป็นคนดีเราก็รู้สึกว่าได้รับคําชมว่าเป็นคนดีเราก็มีความสุขสุดท้ายมันก็ไปจบที่ความสุขความทุก น, นั่นแหละเพราะฉะนั้นไอค่านิยมแบบมันก็สร้างสร้างเครื่องหลอกล่อเราให้เรามีความสุขในแบบที่มันจํากัด จำเกลียดจนเกินไปเพราะนั้นเราก็พยายามมองให้มันกว้างๆพยายามมองให้มันเห็นตามตามความเป็นจริงอะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันมันเป็นชีวิตที่มันไม่ได้มีแต่งานใช่ปะมันมีชีวิตของเราชีวิตครอบครัวหลายๆอย่างอะเวลาเราก็ต้องให้เวลากับงานก็ถูกแต่เราก็ต้องให้เวลากับตัวเองด้วยให้เวลากับครอบครัวด้วยให้เวลากับคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน พราะนั้นงานมันก็ส่วนงานจะบอกว่างานมันรีบเร่งแค่ไหนอธิต่างเราตายไปนะเขาก็หาคนมาทําแทนออกได้เท่านั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยงานเนี่ยนะมันจะมีมันจะมีอยู่เรื่อยแหละเพราะตราบใดที่มีองค์กรมันต้องมีงานใช่ไหมงานมันมีอยู่เรื่อยแน่นอนถ้าองค์กรไหนไม่มีงาน่ะองค์กรนั้นแหละจริงแน่นอนเพราะนั้นองค์กรมันต้องมีงานแต่เราอย่าให้งานมันมากัดกินกลืนกินชีวิตของเราไป เพราะเราก็ต้องบริหารเวลาให้มันถูกต้องเวลาทํางานเราก็เป็นคนจริงเนี่ยจริงๆกับงานจริงจังกับงานแต่ไม่ซีเรียสจนเกินไปนะเอาให้มันเต็มที่อ่ะกับงานพอหมดจากงานแล้วมันก็เป็นเวลาของเราเราก็ต้องใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราเกิดประโยชน์กับตัวเราหมายความว่าไงเราจะคิด แคว่าประโยชน์กับตัวเราอยู่แค่ว่าเรื่องกินเรื่องอยู่อย่างเดียวอ่ะมันก็ยังไม่ถูกต้องนะแล้วเราจะบอกว่าคือท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จะไปจบตรงที่สุขกับทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามมุ่งไปตรงตรงที่ว่าทํายังไงให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนอกจากมีความสุขมากขึ้นแล้วเนี่ยต้องไม่ละเลยนะไม่ละเลยเ อ, อที่จะสร้างศักยภาพที่จะลดทอนความทุกข์ให้ได้ด้วยอันนี้จําเป็นมาก เพราะว่าเราควบคุมไม่ได้หรอกว่าให้เรามีสุขอย่างเดียวเรามีทุกแน่นอนแต่ศักยภาพในการที่เราจะลดทอนความทุกเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องสร้างมันขึ้นมาคนปกติมันจะไม่ใช่ลดทอนความทุกไม่ใช่จัดการปัญหาเอาเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้ว่าวิธีแบบว่าคนแก้ทุกอ่ะทั่วไปอะมันเหมือนเราคันเงเอาเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราคันเนี้ย ถ้าเราแก้แบบโกคๆเราก็เกาใช่ไหมเกาพอเกาปุ๊บเราก็รู้สึกเออแสบๆแล้วมันก็ขยคันแล้วพอเราหยุดเกาปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็ขันใหม่แล้วก็เกาอีกพอหยุดปุ๊บมันก็ขันเกาอีกพอเกาเรื่อยๆผลที่ได้คือเป็นแผลด้วยนะเป็นแผลด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขจากการเกามันมาบทบังความความทุกข์ของการคัน ประมาณหนึ่งแต่ความทุกข์มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่โดนบดบังไว้เฉยๆแล้วเราก็คันกลับซ้งขึ้นมาแล้วก็เก่าใหมา่อันนี้คือวิธีการแบบทั่วไปธรรมดาทั่วไปของคนเราเรามีทุกเราก็เป็นไงเราก็เอาเล่าเก่าไว้เรามีทุกเราก็เอาเฟซบุ๊กเก่าไว้เรามีทุกเราก็ยูทูบเก่าไว้ น, นี้เป็นตนน้นนะมันแค่เป็นการ บทบางนึงเฉยๆถ้ามันยังไม่ได้แก้ปัญหาแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเรามารักษาผิวหนังของเราไม่ให้ไม่ให้มันคันเนี่ยมันดีกว่าไหมพะเรารักษาแล้วมันไม่ไม่คันเนี่ยมันมีความสุขกว่าความสุขที่จากการที่มันไม่คันเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องเกามันเป็นความสุขที่มันปลอดภยัยเบาสบายกว้างขวางกว่า มากใช่าหมกว่าการได้มาความสุขจากการเก่าเล็กๆน้อยๆที่นี่เองเพราะฉะนั้นการที่เรามีวิธีแก้ในแบบที่มันแก้ได้ตรงจุดทางด้านจิตใจด้วยเราก็จะมีคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจที่มันดีขึ้นเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วเราก็จัดการกับเหตุเกิดทุกข์อ น, นั้นได้มันก็นดีกว่าแน่นอนดีกว่าที่เราไปหาความสุขอันใหม่มาบังความทุกข์เอาไว้ อันนี้มันแค่เขาเรียกว่านักลบแต่ยังไม่ใช่นักรบเพราะฉะนั้นการงานชีวิตก็ส่วนหนึ่งแต่ชีวิตเรามันไม่ใช่การงานการงานก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเสร็จแล้วเราก็ควรจะมีเวลาเป็นของเราเองไม่ต้องไปแบกงานมาไว้ตลอดเวลาที่ทั้งหมดของชีวิตเราอะไม่งั้น มันก็เสียประโยชน์ทางด้านเพราะว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเราคิดแค่เนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับคนที่คิดว่าเรามีชีวิตเดียวอ่ะแต่ในทางเทววิทยศาสนาเราไม่ได้มีความเชื่อว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวเราก็มีชีวิตก่อนชีวิตอันนี้แล้วจากหมดจากอัตภาพนี้ไปถ้าเรายังมีมีเชื้อของความเกิดอยู่อีกเนี่ย เราก็ต้องไปเกิดอีกจะเกิดในดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอาจิตใจของเราเนี่ยสั่งสมอะไรไว้มันก็เป็นตัวนําพาไปถ้าสั่งสมความเศร้าหมองไว้เยอะก็ไปทุกขติอย่างที่ว่าแถ้าส่งสั่งสมความฝ่อลใสเอาไว้เยอะมันก็ไปสุขติอย่างที่ว่าไปเพราะนั้นเวลานอกเหนือจากงานตรงเนี้ยเราก็ควรจะเอามาพัฒนาพัฒนาเพื่อเป็นหลักประกันของตัวเราเองนะเป็นหลักประกัน ตัวเราเองว่าหลังจากอัตภาพนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในโซนที่มันเป็นเซฟโซนคือสุขติไม่ใช่ทุคติ